แนะนำบทซอทบทซอทเป็นมักกยะมีแ8ดสิบแปดวงการบทนี้เริ่มโดยการกล่าวสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ถูกประธานให้แก่ท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่ครอบพุมถึงข้อจักเตือนที่มีความหมายลึกซึ้งข่าวคราวประหลาดที่ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริง และมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสดาที่ถูกส่งมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพการปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแบบอเลาะ แ, และความประหลาดใจยอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านรอสูลลลอสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออเลาะ บทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะโดยการยกตัวอย่างของชนรุ่นก่อนพวกเขาที่มีสภาพเช่นเดียวกันคือเป็นผู้ฝ่าฝืนหญิงพยองโดยการปฏิเสธลน ง, งมงายอยู่ในทางหลงผิดและการที่ชวนเหล่านั้นได้รับการลงโทษอย่างสาสมมาแล้วเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและอุทาหอ เนื่องจากการทำความชั่วและการประกอบอาชญากรรมของพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตบางท่านเช่นได้กล่าวถึงเรื่องของดับีดาวูฒิสุไลมาน อ, ยอายุบิษห์ยาคูบิสมาัยและซุลกีฟเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งอนุภาพและกับภาพหอหล่อในจักรวาลซึ่งเป็นทพิพิจักแก่สายตา และสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามทาง น, นี้เพื่อการเตือนให้ตระหนักว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไร้ประโยชน์และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่สองเพื่อตอบแทนทุกกระทําความดีและผู้ทำความชั่ววันนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่านาศนาสนทูตและหน้าที่หลักของท่านนั้นคือหน้าที่ในการเผยแพร่และชี้นํามนุษย์ไปสู่ทางหนังที่ถูกต้อง บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทซอดซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษารราเพื่อเป็นการสรุดีต่อคำภีที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งเอาล้ะทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรกแรกและยุคหลังหลังด้วยพยัญชนะเล่านี ด้วยพระนามของรพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสอขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติแต่ทว่าบรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งผยองและการแต่งแย่ กี่ศตวรตษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติกอนพวกเขาแล้วพวกเขาได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเวลาอีกสำหรับถารรอด ยังบุกอพยพกระด่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามาอย่างพวกเขาและพวกปฏิเสธสถานได้กล่าวว่านี่คือนักมายาคนและนักโกหกตัวชักการเขาได้ทําให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวขนะนั้นหรือ แท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริงๆและพวกหัวหน้าของพวกเขาพากันออกไปพลางก้าวว่าจงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าต่าอ แค่จี่เป็นเรื่องที่ถูกวางแขนไว้แล้วเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มา ก, ก่อนในศาสนาสุดท้ายนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการเสกสันปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น ได้มีข้อตักเตือนคืออลุกราทูกประธานลงมาแก่เขาแทนพวกเรากระนั้นหรือหาไม่ได้พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้า ไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายัางไม่ได้รัมรถการลงโทษของข้าขริรรลร ว, รว่าที่พวกเขามีมขุ้มคลังแห่งความเมตตาของพระผู้พิบาลของเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย รหรือว่าอำ่าแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขาดังนั้นจงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด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 และสมุดและกลุ่มชนของลูตและชาวป่าทึบชนล่าวี้ก็เป็นแมว่วรวมไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ปฏิเสธบรรด า, าศาสนาทูต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 เจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและจงรำลึกถึงบ่าวของเราดาวรุธผู้ทรงพลังแท้จริงเขาเป็นผู้กลับตัวต่อลอดเสมออินนัคอัลิบาละมะฮุลบดิหนาบิลีัลอิชรหแท้จริงเราได้ภูเขาแส่ซองสะดุดีพร้อมกับเขา ทั้งในยามทบคุกและยามรุ่งอรุณและเราได้ทำให้นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขาและเราได้ทำให้อนาจักของเขาเข้มแข็ง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 ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا ت خ َ ف خص ن ا لبغى بعضنا على بعض ت ح ك م بيننا بالحق ولا ت ش ط ق ط ت ح ك م بيننا بالحق ولا ت ش ط ق ط واهدنا إلى س ا ء ا ل ص ر ا ط เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวูดเขาตกใจกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลยเราคือผู้โตเถียงสองคนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่ ง, งนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียง แต่จงชี้แนะเราสูแ่แนวทางที่เที่ยมตรงเถิดอินน่าเาอ خي ลวที่สูนะที่สูนนาจตูว์ลีนาจตูว่าหิดตุน فقال فقالك فيلها وعزني في الخطاب แท้จริงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมียเ9้าเก้าตัว และฉันมีแก่ตัวเมียตัวเดียวแล้วเขายังพูดว่าเอามันมาให้ฉันสิแล้วเขาได้ข่มขู่ฉันในคำพูด เขาดาวุฒิกล่าวว่าแน่นอนเขาอาจทำต่อท่านในการให้นำแก่ของท่านไปรวมกับแก่ของเขา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 ดังนั้นเราได้ให้อาภาัยแก่เขาในเรื่องนั้นแต่แท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่งในฟอโรโลก ما جعلناك خليفة في الأرض ِ فحكم َ بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع َ الهوى َ فيضل ّ ك عن سبيل الله إن บโอดาวุฒิยุอยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้แต่นั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่างๆระหว่างมนุษย์ได้ความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตามอารอามณ์ายตับมันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอัลลอฮ ถาจึงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางขอรอนั้นสาหรับพวกเขาเจาะได้รับการลงโทษอย่างสาหาดเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชาระสอบสวนคือวันที่ยามา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 เช่นบรรดาผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินขระนั้นหนึ่งหรือจใจเราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ยำเกรงที่บรรดาคนชั่วขณะนั้นหนุลอผาาีอความที่เราได้ประทานลงไม้แก่เจ้าที่มีความจำเรือน เพื่อพวกเขาจะได้พินิษพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ไข ค, ค ว, ว, วดเราได้ประธานบุตรคือสุลัยมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวุฒแท้จริงเขาหน้ามาสู่เราเสมอ และจงระลึกถึงเมื่อม้าพันดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในเย็นวันนี้ทเขกล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงม้าตัวนี้จนมันทำให้ฉันลืมระลึกถึงพระผู้เป็นเของฉัน จงกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจงนำมันกลับมาให้ฉันแล้วเขาก็เริ่มลูบขาและคอของอมันจงนำมันกลับมาให้ฉัน แต่โดยแน่นอนเราได้ทดสอบสเลามานและเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจกล่าวว่าโอพระผู้อภิบาลของฉัน พระประงค์งอาภัยให้แก่ฉันด้วยพระประสงค์ประทานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉันซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันถ้้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายและเราได้ทำให้ลมพัดเฉยๆตามบัญชาของเขาไปอย่างพิศทางที่เขาต้องการ และเราได้ทำให้บรรดาชัยตอนอยู่ใต้คำสั่งของเขาพวกนั้นทั้งหมดเป็นช่างก่อสร้างและประดาน้ำและพวกอื่นๆถูกพันฒนาการด้วยโซ่ไว้ด้วยกัน าา น, น, นี่คือการประทานให้ของเราแก่สุไลมานดังนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้หรือจะยักยั้งไม่ใครก็ได้โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสนว น, ว น, นลและแท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเรา และมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลกละจงนำเรื่องถึงบ่าวของเราอายุบเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้มิบาลของเขาโดยกล่าวว่าชัยตอนมานรร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนือยยากและทุกข์ทรมาน อลองการาดเทียบพื้นดินด้วยเท้าของเจ้านี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระลางและสำหรับดื่มแลวเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขา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 แท้จริงเราพบว่าเขาอายุปเป็นผู้อดทนเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสมอลและจงรำลึกถึงพวงบ่าวของเราอิบราฮิมอิสหะและยากูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกล ในเรื่องศาสนาอินนาอ خ ا เราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้ระลึกถึงปโรโลกและแท้จริงในทศานาของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอน และต้จงรำลึกถึงอิสมาอลและอัลยาสะและซัลกิฟและทุกคนอยู่ในหมู่คนดีนี่คือข้อตักเตือและถ้าจริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอน ทางกลับของพวกเขาย่อมดีแท้นนมมทคือสวนสวรรค์อันสถาพรประตูทุกบานจะเปิดอ้าเอาไว้สำหรับพวกเขามุตะกีนทียจะูนทนบิฟ า, คานคตติวารัวพวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่ในสวนสวรรค์ พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้และเครื่องดื่มนานาชนิดและหน้าที่พวกเขานั้นมีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้สำหรับวนันแห่งการชำระสอบสวน แท้ ن ن จริงนี่คือปัจจัยยังชีพของเราแน่นอนมันจะไม่มีวันหมดสิ้นดังนั้นและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมเลวร้าย น, น, น, นั่นก็คือนรกยานหนับโดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พมนักอันชั่วร้า ย, าายาอีกนี่คือการลงโทษดันเจ็บแสบ เพะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรถมันคือน้ำเดือดพราาและน้ำเลือด น, น้ำหนองของชาวะรกและการลงโทษชนิดอื่นอีกเยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกัน า, า, ามมมุุกหบบินนนนุมซาลบี่คือฝูงชนที่วิ่งกรูไปพร้อมกับพวกเจ้า ไม่มีการต้อนรับพวกเขาดอกแต่จริงพวกเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในไฟนรกพวกเขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าตัางหากไม่มีการต้อนรับพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าได้เตรียมตัวไว้สําหรับเราดังนั้นมันจึงเป็นที่พักอันชั่วช้า พวกเขากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของเราผู้ใดที่ได้เต ร, รียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เราขพรพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนระกด้วยเถิด และพวกเขากล่าวว่ามีอ ا ไรเกิดขึ้นแกเราทำไมเราจึงไม่เห็นชายหลายคนที่เราเ ر ยนั่าอยู่แล้วพวกเขากล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นแกนเราทำไมเราจึงไม่เห็นชายหลายคนที่เราเคยนับพวกเขาว่าอยู่ในหมู่ผู้เลวทราม <ت ص في ق> เรื่องเพราะเราถือเอาพวกเขาเป็นที่เยอะยันหรือสายตาของพวกเราคาดเคลื่อนไปจากพวกเขาอินมลกฮักุอินนนั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนากด้วยกัน ฉันกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากลอ์ผู้ทรงเอกรูพผู้ทรงพิ้ศรัทธาพระผู้อภิบาลแห่งบรดาชันฟาและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรักการละไห้จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่านี่คือข่าวสำคัญันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าพิลังให้กำนัลฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมาลิกา เมื يع, ่อพวกเขาโต้เถียงกันอเพราะไม่ได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น จงรำลึกถึงเมื่อพระผู้พิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลิก้าว่าแท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินเถืาดําอะไรสลัิดังนั้นเมื่อข้าได้ทําให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นพวกเจ้าจงก้มคารวะต่อเขาเถอะ ละ ม, ม, มัลลิกทั้งมวนก็ได้ก้มลงคารวาอิลลีสสตติบัตระ وكان من ا ل ك ا ف ر ي นอกจากอิบลีสมันยิงยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستقبلت أم كنت من العارين พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสเอ๋ยอะไรเล่าที่มันขัดขวางเจ้าไม่ให้โค้งคารวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยมือทั้งสองของข้าเจ้ายะโสโอหังนะครือ หรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงศักดิ์มันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากมิดพระองค์กลับว่า ดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกสาปแช่งและแท้จริงการสาปแช่งของข้าจงประสบกับเจ้าจนกระทั่งวันแห่งการตอบแทนมันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาอิิลลวมจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ม, มันกล่าวว่าดังนั้นด้วยพระเดชาลูภาพของพระองค์ท่านแน่นอนฉันก็จะทำให้พวกเขาทั้งหมดลงผิดเว้นแต่พวกบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น พระองค์ตรัดว่าดังนั้นมันเป็นความจริงและข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้นและอัลลอฮฺนเจฮันมะนิลก์วอมินมันตบิ่งค์มิห์ม์อัจมาอนแน่นอนข้าจะนรกนั้นเต็มไปด้วยเจ้าและจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้าในหมู่พวกเขาทั้งหมด จงกล่าเวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่ได้ขอรางวัลค่าตอบแทนจากพวกเจ้าในการทำหน้าที่นี้แต่อย่างใดและจะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้อ้างสิทธ์เลยอินหัวอิลลบิกรุลิลอาลามีน ولاتعلمون من بؤه بعد ا ل ح มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายและแน่นอนเจ้าจะรู้ข่าวคราวของคาำพิจกรานในระยะเวลาอันใกล้